บุ๊กทูเก้าสิบห้าเดวนส์เดชชุนเปิงกิคำสันธานสองยงตุเกย์โดเธอไม่ทำงานตั้งแต่เมื่อไหร่นวก็ได้เย่เนบเดรบตั้งแต่เธอแต่งงานหรือ นวดวสตูสใช่เธอไม่ทางานอีกเลยตั้งแต่เธอแต่งงานยินเบดิรบะหวตัดไ้คอิสตเยตั้งแต่เธอแต่งงานเธอไม่ทางานอีกเลยหนวดูเคอิตเยยินเบดิรบะตั้งแต่พวกเขารู้จักกันพวกเขามีความสุข Nuo t ต d ie a kai j เย็บเย็นสกิต a พัจิสต์เยียร์เรลเ i มงเตั้งแต่พวกเขามีลูกพวกเขาแทบไม่ไปไหนเลยนัว a ต a ดะใครยาตู i ูเวคุอิเชนใน i ยติเครด์เ a อร์เจสเธอโทรศัพท์มาตอนไหนค d ายสกั a บินส์ขณะขับรถหรือ แคล i ูนิสเมตุใช่ขณะที่เธอขับรถเ a ปกิวจูเอ a ว t จูอัตโมตโ i บิลโลเธอโทรศัพท์ขณะที่เธอขับรถยิสแคมบิ i สเธอดูโทรทัศน์ขณะที่เธอรีดผ้าเยื i อ เพลงลีกินเธอฟังเพลงขณะที่เธอทำงาน r ร o ต d as, an, m lei, an, a m ป p โมก k a ยิ้ k l ล u s ด s i muzikos. กสดิฉันมองไม่เห็นเลยถ้าดิฉันไม่มีแว่นอชเนะกุนาม a โตะเคยย้ายเนโตะอค i โนะดิฉันไม่เข้าใจอะไรเลย ถ้าดนตรีดังเกินไปเขาจะ taip g ย r s ก g r เ j a m u z i k a ดิฉันไม่ได้กลิ่นตอนที่ดิฉันเป็นหวัด Aš nieku neužuodžiu, turiu slaugą, g เราจะนั่งแท็กซี่ถ้าฝนตก แมสเวอร์จูสแมตติกซ์เยเลสเราจะเดินทางรอบโลกถ้าเราถูกแลสเตอรีแมสเคลาสแมปลิงปัสซัลลี่เยไลเมสมาล็อกเตอ j ų โอยะถ้าอีกเดียวเขายังไมมาเราจะเริ่มทานข้าว a มสประ e ด a l ม y า i Jei j ยย greit n e น a r ร i s